ขอความเจริญในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้คงเป็นการพูดเรื่องบริหารจิตต่อไปการปฏิบัติอบรมจิตในส่วนที่เรียกว่าสมถะและวิปัสสนาภาวนานั้นโดยจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติแล้วเป็นการกระทาที่เป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้นบางครั้งพระจ้าจึงทรงแสดงให้บุคคลเห็นมองเป็นรูปของโครงสร้างในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลจึงทรงแสดงไว้ว่าดกจกนพิสูจน์ทั้งหลายทำสองประการบุคคลควรกำหนดรู้ทำสองประการคืออะไรคือนามกับรูป ดูก่อวิสูตรทั้งหลายทำสองประการบุคคลควรกําหนดละทาสองประการที่ควรกําหนดละคืออะไรคือวิชาและพวะตัตหามทำสองประการบุคคลควรกระทําให้แจ้งทาสองประการที่บุคคลควรทําให้แจ้งคืออะไรในกาวิชาและวิมุติทำสองประการบุคคลควร อบรมกระทําให้มากให้คนเจริญจะทําให้มีให้เป็นขึ้นทำสองประการที่บุคคลควรอบรมกระทําให้มีให้เป็นขึ้นนั้นอยู่สมถโธจะวิปัสสนาจะในแก่สมะถ ะ, ะวิปัสสนานี่คือหลักปฏิบัติในรูปที่เป็นโครงสร้างเต็มรูปซึ่งผู้ปฏิบัติที่ใช้ปัญญาพินิจไปนานแล้วก็จะเห็นว่า แม้จะแสดงโดยนิยะเกาะกลุ่มกันไปเป็นสี่กลุ่มกตม็ต่างแต่ต่างก็เป็นเหตุเป็นปันจจัยของกนและรกันการเจริญสมกถกรรมฐานก็คือการกำหนดรู้ในรูปนามถ้าก็ตั้งสติกำนดระลึกเพื่อเกิดความสงบอยู่กับรูปหรือนามก็ตาม การปฏิบัตินั้นเรียกว่าสมถกรรมฐานดังนั้นบางครั้งจึงทรงใช้คําว่าอารมณูปนิสัยหรือเพ่งดูอารมณ์ลักษณะของอารมณ์คือไม่เป็นรูปก็ต้องเป็นนามไม่เป็นนามก็ต้องเป็นรูปดังนั้นจึงหมายถึงการเพ่งดูรูปนามนั่นเองในส่วนของวิปัสสนากรรมฐานก็คือการใช้ปัญญา ปีนิพจนารูปนามนั่นเองให้เกิดเห็นถึงความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นที่ใช้ควมว่าเป็นความเห็นที่แจ่มแจ้งซึ่งผลที่เกิดขึ้นมาจากความเห็นนั้นสามารถขจัดอวิชชาและภาวะตัณหาที่มีอยู่ภายในใจิตใจของบุคคลให้เจือจางเบาบางลงไปโดยลำดับ จนถึงกับสิ่งที่ลดละไปแล้วนั้นไม่กำเริบขึ้นภายในจิตใจก็กลายเป็นการกระทําให้แจ้งซึ่งผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแต่ว่าในเชิงของการประพฤติปฏิบัติแล้วธรรมะนั้นไม่ใช่มากมายอะไรแต่ที่มากมายก็คือจิตของคนวิจิต ทำให้ตัณหามันวิจิตเพราะจิตวิจิตเมื่อตัณหาวิจิตความคิดคนก็วิจิตเรธรรมะเลยต้องวิจิตตามจิตของบุคคลไปด้วยดังนั้นถึงทรงแสดงแม้ในส่วนของสมาถากรรมฐานเราจแนกแสดงเอาไว้ทั้งสี่สิบอารมณ์ด้วยกันการที่ทรงจำแนกแสดงไว้ทั้งสี่สิบอารมณ์เช่นนี้ เพื่อให้โสดครองกับจริตอัทยาศัยของบุคคลเราพื้นฐานในการปฏิบัติที่ถือว่ามีความสำคัญนั้น่านเรียกว่าได้แก่อารมณ์คือสิ่งที่บุคคลกำหนดระลึกที่ท่านใช้บางแห่งวัาธรรมะหมายถึงตัวนามรูปที่จิตไปตั้งสติกำหนดระลึกนั่นเอง จะต้องมีลักษณะที่เป็นสับ ป, ปายะคือระลึกแลสบายใจน้อมน้อมจิตใจก็าหาความสงบซึ่งโดยในยะนี้ก็เป็นเช่นกับที่กล่าวไว้เมื่อวานเมืเ่อคืนวานว่าการแผ่เมตตานั้นจะต้องไม่แผ่ในคนที่เป็นศัตรูกับเพศตรงกันข้ามในตอนแร ก, แรกเพราะอะไรเพราะว่ากำลังของเมตตาไม่กล้าแข็งพอ ถ้าหากว่าไปแผลกับคนที่เป็นศัตรูข้าวแทนที่จะกลายเป็นเมตตามันจะกลายเป็นปฏิฆะคือความมุขงิดความไม่พอใจขึ้นมาอาจจะเพิ่มความโกรธความพยาบาทให้สูงขึ้นแต่ถ้าแผลไปในเพศตรงกันข้ามก็จะเกิดความกำหนัดรักใคร่ ย, ยินดีเป็นการเพิ่มกิเลสสายรักะหรือสายโลภะสูงขึ้นเมันจึงสอนให้ ไม่ให้รีบทมในตอนต้นต้องรอความแข็งแกร่งในด้านจิตใจเสียก่อนการปฏิบัติธรรมะในส่วนอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้นโดยจําเป็นจะต้องอาศัยองค์ประกอบที่เราเรียกว่าสัพปายะคือบุคคลจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นเครื่องสบายแก่ตนหรือไม่สบายแก่ตนองค์ประกอบภายนอกเช่นเรื่องของสถานที่ เอกวเสนาชนะส ป, ปายะคือสถานที่จะต้องมีลักษณะเกือกูลแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก่อนจะจัดสรู้เมื่อทรงตั้งพระทัยจะบำเพ็ญเพียรทางจิตก็ทรงเลือกเสนาสนะที่เกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติและอุตุส ป, ปายะคือลักษณะของบรรยากาศจะต้องไม่ร้อนเกินไปจะต้องไม่หนาวเกินไปจนถึงเสียดแทงและกระสับกระสาย เพราะทำมอย่างนั้นแทนที่จิตจะไปตั้งอยู่กับอารมณ์ซึ่งตนกำหนดระลึกจะไปตั้งอยู่ที่ความร้อนความหนาที่เสียดแทงอยู่ในขณะนั้นนันดังนั้นจะพบว่าพระุทธเจ้าจึงไม่ค่อยไปนเน้นในที่ลมลมเพราะถ้าบางทีลมแรงเราก็ไม่สนใจเรื่องลมเสียแทรงใช้คำว่าลอมฟางโคลนไม้ต้นไม้ถ้ำเงื้อมเขาจะงอนผา ซึ่งสามารถที่จะปิดบังลมได้เพราะถ้าสิ่งเหล่านั้นกระแทกกระทันแรงใจมันก็ไปรับข้างนอกแทนที่จะกำหนดระลึกอยู่ข้างในแล้วพวกอาหารที่จะต้องมีลักษณะเตัอคูแกับกา ร, รปฏิบัติจึงสงชัยคำว่าอรรัปลายะซึ่งหมายความว่าการบริโภคอาหารนั้นจะต้องมี หลักของโพชเนมัตตัญญุตาคือรู้จักประมาณในการบริโภคพัตตาหารนจะสงแสดงไว้ในที่ต่างๆแม้ในอวาทปฏิโมกก็สงใช้คำว่ามัตตัญญาตจะพัตสเมิงคือรู้จักประมาณในพัตตาหารไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเพราะอาหารที่มากเกินไปจะก่อให้เกิดอาการทีนามิทะนิวรนขึ้นมาที่เรียกว่าพัตสมถะทคือเมอพัตเมาอาหาร ถ้าอาหารน้อยเกินไปก็จะเกิดเป็นความกระสับกระส่ายจะกลายเป็นอุทะจะกจุกุจะคือพุ่งสัน้นจะถึงรำคาญรสารุปกป็ตกขอบไปนิวรณ์ด้านใดด้านหนึ่งแต่ถ้าอาหารพอดีอร่างกายก็เรียกว่ากรรมนิยะคือควรแก่การงานที่จะเป็นฐานรองรับให้เกิดความสงบขึ้นมาได้แล้วก็ปรับใจของตนเองให้ควรแก่การงานบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ในการศึกษาพระพุทธปฏิบัติธรรมในขณะนั้นก็ต้องได้บุคลาสปายะคือคนที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือธรรมสปายะได้แก่อารมณ์ที่กําหนดระดึกอารมณ์เหล่านี้เป็นลักษณะลางเนื้อชอบหลังยาก็หมายกำหนดเจาะจงลงไปมันมีลักษณะเหมือนกับยาที่บุคคลรับประทานนั่นเองเิ่งยกตัวอย่างเช่นยาแก้ปวดก็มีอยู่หลายสิบขนานด้กัน คนหนึ่งรับประทานแล้วสบายถูกกับตัวเองแต่บุคคลบางคนอาจจะรับประทานยาขนาดเดียวกันแลว้วไม่หายก็อาจจะเกิดโรคเพิ่มขึ้นในั้งไปงการปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นทะานั้นพู้เจ้าจึงทรงมองไปที่จริตคือพื้นอัธยาศัยของบุคคลเพราะการวางการสอนธรรมะนั้นเหมือนกันการวางยาก็คือศึกษาทั้งหมดของคนป่วยศึกษาทงางการของโรค เกิดของโรคและความหายจากโรคตลอดถึงไอตัวยาที่จะสามารถบาบัดการจัดสมุทฐานของโรคได้แต่ว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปคนเราก็ามีจริตจริตในชุดของสมถะกรร ม, า ฐ, ามาฐานแล้วก็เน้นไว้เป็นหกจริตด้วยกันประเภทแรกเรียกว่าราคาจริตจะมีความโน้มเอียงไปในทางรักใคร่พอใจเพลิดเพลินยินดีชอบใจติดใจสยบต่อในสิ่งต่าง คนนี้ก็จะมีปัญหาโดยเรื่อยๆไปแม้แต่ว่าตั้งสมาธิได้ปีติได้สุขแล้วจะติดอยู่ที่ปีติสุขเหล่านั้นเพราะว่าเป็นคนละเมียดละไม่มักพอใจติดใจเพลิดเพลินในสิ่งที่สวยงามต่างๆแม้แต่ปีติแม้แต่สุขที่ประณตผู้หนึ่งเรียกว่าโทสะเจริญมีความรุนแรงมีโทสะเป็นข้าวมูลกระทบกระทั่งอะไร น, นิดหน่อยก็อาจจะโกรธขึ้นมา ในชุดเดินก็เป็นอาการของมหะฉริตลักษณะโดยพวกทีนมิตะคือเสื่อมซึมน้อยเงาเคลื่อนเคริ้มเฉยไม่ค่อยกระฉับกระเฉงไม่ค่อยขาดความกตอือรือร้นกาดความเป็นตัวคนตัวเองมีลักษณะเลื่อนลอยอยู่ในรมต่างต่างอีกกรุ่มหนึ่งก็เรียกศรัทธาจริตคือเชื่ออะไรง่ายเกินไปเป็นการน้อมใจเชื่อโดยขาดการกล้งกรองการพิพพิจนาเสถกร กายกุพติจริตคือเจ้าถ้อยหมอความเจ้าเหตุเจ้าผลชอบคิดจนเลยเถิดไปทิ้งกฎเกณฑ์ต่างๆที่เรียกว่าเป็นปัญญาประเภทที่ไม่มีสตาก้ากำกับแล้วก็วิตรกิจริควิคิดพล่้นแต่อารมณ์ต่างๆไม่สงบจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกรรมฐ า, านในแนวนี้ทุกเจ้าก็วางในรูปที่เรียกว่าตรงกันข้ามกัน ทำนองใกล้ๆกับว่าเอาน้ำสะอาดมาล้างสิ่งสกปรกเกิสิ่งตรงกันข้ามมาแก้กันเพื่อทำให้จางลงเอ้วคลายลงไปยกตัวอย่างว่ามีสีดำํำเราก็เอาสีขาวมาใส่เข้าไปมันก็จางๆลงไปเอาน้ําสกปรกกับน้ําสะอาดมาใส่มันก็ทําให้น้ําสกปรกนั้นจางลงไปจนถึงกับหมดสภาพไปในที่สุด กรรมฐานจึงทรงวางไว้ให้บุคคลเลือกเอาแล้วก็การเลือกมันก็ต้องสวดดูตัวเองว่าเรานั้นเป็นคนจริตอะไรกันแนแ่ถ้าเป็นราคะจริตก็ต้องมองในแนวตรงกันครับประการที่เกิดกำหนัดรักาคะยินดีเพลิดเพลิพนในเรื่องลงนั้นก็เพราะไปกําหนดว่าสวยว่า ง, งามว่าน่าใครใน่แนาแกรน่าพอใจเราทงสอนในกําหนดเสียใหม่ให้ดูถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นมันจึงทรงวางกรรมฐานไว้เช่นพวก กายกระตาสติหือแยากกายออกไปเป็นผมขนหรือฝัานหนังเนื้อเป็นต้นแยกออกมาทีละจุดทีละเม็ดจุดทีละจุดแล้วก็มาดูถึงความจริงของอวัยวะที่มาประกอบกันเป็นร่างกายซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีะระองหลงของบุคคลนั้นว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็อของปฏิกูลน่าเกลียดแต่แม้แต่คําคว่ากายเองมันก็ออกมาจากคําว่ากุอายะหรือว่าแหลง่งหรือที่ประชุมของสิ่งศักดิ์สิน่าเกลียดทั้งหลาย แต่เราต้องพวกถ้ายังไม่ไหวจริงๆคือยังมองไม่เห็นก็สอนให้ดูไปถึงพวกสุภาสกรรมฐานคือดูศพกันเลยเอเป็นลักษณะที่น้อมนึกเข้า ม, า ห, ามาหาตนน้อมตนเข้าไปหาศพน้อมศพก็มาตนแต่กรรมฐานในวนนี้จากการสังเกตนั้นถ้าไม่ดูจริตอัธยาศัยของบุคคลจะไปได้จริงๆจะไม่สอนเพราะว่ามันก็มีปัญหาในการปฏิบัติอยู่ไม่น้อยเหมือนกันโดยเฉพาะ คนที่มีธาตุแห่งความกลาดสํานวนบาลีนใช้คําว่าธาตุแห่งความกลาดคือเป็นคนมากกลาดกลัวเวลาปฏิบัติไปก็เกิดเป็นภาพนิมิตอะไรขึ้นมาควบคุมตัวเองไว้ไม่ได้ก็อาจะมีปัญหาในการปฏิบัติในส่วนพวกโทสะก็มีความรุนแรงเรียกราดพวกนี้เป็นร้อนเพราะงั้นก็ต้องแก้โดยพวกโรภพิหารซึ่งเย็นถึงสังเกตว่าลักษณะของโภพิหารแต่ละข้อจะมีความเย็นเมื่อโทสะร้อน ก็ต้องเอาเย็นไปแก้ร้อนอจนความเย็นนั้นหมดความร้อนนั้นหมดสภาพปลายกลายเป็นความเจ็บแล้วก็คืบคลานขึ้นไปก็เดินไปแ ต, แต่ละสายนั้นจะไปถึงจุดร่วมกันคืยความส ง, งบในขั้นตอนของสมาธิแต่พวกโมหะจริตกับพวกวิตกจริตซึ่งถือว่าเป็นพวกกลุ่มที่มีปัญหามากจังก็สอนให้ปฏิบัติในขั้นที่เราเรียกว่า อนาปาณสติคือการตั้งสติตามลึกดูที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแก้มงแกแแมสองจริตใจคือโ ม, มหจริตมีความลงเป็นพื้นจิตกับวิตกจริตมีความพุ่งสั้นเป็นพื้นจิตแต่พวกศรัทธจริตมันก็ต้องอาศัยเสียงที่เกาะยึดเหนี่ยวของจิตโดเรื่องศรัทธานั้นก็เรียกว่าพวก ในลักษณะที่ว่านอนสอนง่ายหรือถ้หากว่าได้แหล่งเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาดีก็จะไปได้เร็วแต่ในขณะเดียวกันถ้าได้แหล่งที่ให้เกิดศรัทธาไม่ดีก็เข้ารถเข้าพงไปเร็วเหมือนกันตัวอย่างที่เราเห็นได้ง่ายๆก็คือเรื่องพระองค์โคลิมาตลแต่ลักษณะนคนศรัทธาจริตที่เห็นได้ชัดมากเวลาเชื่อปุโรหิตอาจารย์ตกักกัตลาอาจารย์นิสาปาโมกท่านก็ไปได้สุดโก้เหมือนกัน พอเชื่อพระพุทธเจ้าท่านก็ไปจะถึงพระอาหารหันต์บ้างกันเพราะฉนั้นประการสาคัญจึงอยู่ที่ว่าเขาเชื่อใครเชื่ออะไรแล้วก็เชื่ออย่างไรพระพเจ้าก็ทรงสอนแนวอนุสติต่างๆเอาไว้มีพุทธานุสติเป็นต้นหรือถ้าความเชื่อนั้นไปอย่างลงในคุณพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ในใจศีกษาเป็นต้นแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรคือเดินไปสู่ความสุขมาได้ง่ายพร่พุทธเจริตเป็นเจ้าถ้อยเมาความอยากคิดอยากวิเคราะห์วิจัยอยากคิดค้นก็ค้นก็คน้คน ทรงแสดงทาตุกรรมฐานเรียกวาจาตุธารวัฏฐานเป็นให้พิจารณาอาหารเรปฏิกูลสัญญาเกื้อแยกพินิพิจารณาอาหารที่รับประทานเข้าไปกระกอนความเป็นอาหารขณะเป็นอาหารขณะรับประทานเข้าไปขณะเคี้ยวขณะกลืนเข้าไปขณะที่สะสมอยู่ภายในขณะที่ถ่ายออกมาเป็นต้นเกือมองเห็น แล้วก็ถ่ายถอนเอตังมามะเอโสมัตรมิเอโเมีตาหรือของเราเป็นเราเป็นดวงเป็ น, ว, ปนวของเราลงไปเอแต่ในเชิงของการปฏิบัติเอาข้อจริงแล้วคนเราก็ไม่สามารถที่จะจําแนกตนได้อย่างชัดเจนว่าเราจะริดอะไรกันแน่กรรมฐานส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่อนาปานสติในในพระเจ้าบิดกเองเราจะพบ ว, ว่าพระเจ้าจะเน้นที่อานาปานสติพอมีปัญหาอะไรก็จะกลับมาที่อานาปานสติ อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าจริตทั้งหกนั้นเป็นเรื่องของความคิดทั้งหมดราคาจริตก็คิดไปเรื่องรักๆคล้ายๆชอบพอใจตัวศาสตรสจริอจริตก็คิดไปในเรื่องไม่ชอบมหจัจริตกับวิตกจริตก็คิดพลันพลันวุ่นวุ่ไปศรัทธาจริตก็คิดไปเรื่องที่ตนเชื่อมัน่นผู้ที่จริตก็คิดในลักษณะปักใจฝังใจอาศัยความเชื่อมั่นในตัวเองอาศัย การตัดสินใจของตัวเองลงไปก็สรุปค้งคิดเหมือนกันดังนั้นถ้าจะทําอะไรไม่ได้คือยังมองอะไรไม่ชัดพระเจ้าก็ให้หันมาที่อนาปานสติกรรมฐานโดยทรงชี้เห็นว่าอนาปานสติกรรมฐานเฉพาะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเองจริงๆในพระไตรปิฎกจริงๆจะมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นส่วนวิธีที่ว่ากันในปัจจุบันนั้นเป็นวิธีในรุ่นหลัง จะถามว่าผิดหรือไม่บอกว่าไม่ได้ผิดอะไรหรอกเพราะว่าคนสมัยพระพุทธเจ้ากับคนสมัยหลังนั้นมีเพื่อนที่มันแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบารมีธรรมคือสมัยพระพุทธเจ้าแม้แต่ว่าตามระลึกลมไปไปเดี๋ยวก็บรรลุมรผลได้แล้วเพราะว่าเป็นยุคเป็นสมัย ท, ที่มีความสมบูรณ์ด้วยประการทั้งปวงคื อ, เ, อเกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วก็มีชีวิตดำรงอยู่ได้ฟังธรรมแล้วก็พบพระพุทธเจ้าม ก, ก็พร้อมใ้สิ่งยากๆในโลกทั้งหลายสี่ประการนี่นคนตอนนั้นก็พบพร้อมแต่ามาถึงยุคสมัยหลังปรากฏว่าไปนิ่งๆไปทำอย่างนั้นไม่ได้ใจมันพร่านมันวิ่งพระโบราณอาจารย์ก็เริ่มคิดว่าจะทำยังไงจึงจะไต่ไปถึงตรงนั้นได้ท่านก็เริ่มหาวิธีโดยเริ่มมาจากการนับ นับลมหายใจเข้าออกที่จริงเมื่อก่อนมนก็นับเฉยๆให้จิตมันอยู่กับ น, นับไปก่อนก็เรียกการนาคือการนับนับไปเรื่อยๆเพื่อสติระลึกอยู่ที่ตัวเลขเท่านั้นเองซึ่งก็หมายความมาจิตมันวิ่งแต่วิ่งไม่สายมันวิ่งเป็นแนวตรงไปขึ้นไปตัวเลขเรื่อยๆเพื่อฝึกให้จิตอยู่อย่างน้อยก็สักแนวหนึ่งก่อนมันก็เหมือนกับการฝึกให้คนทําอะไรไม่ใช่วันนี้นิ่งไปทําทุกอย่างก็ทําที่ได้ยาง และในที่สุดก็เมื่อผ่านขณน า, าคือการนับไปแล้วเขาเรียกอนุบัญฑนาคือตามเอาตามลมไปเรื่อยๆตามลมไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าก็ตามไปลมหายใจออกก็ตามไปแต่ว่าก่อนจากนั้นที่จริงการนับท่านก็พอ่าคนในยุคหลังอีกปรากฏบว่าทาไม่ได้แต่ก็เอามาเป็นนับลมหายใจเข้าออกนับเป็นชุดๆอย่างที่นับการหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกดับหนึ่งเป็นชุดๆไปถึงสิบสิบ อ่ะหนึ่งถึงอ้าห้าไปถึงหนึ่งหนถึ ง, ง, ง, งสิบสิบแล้วก็นั่งตั้งตั้งต้นใหม่หนอกกันไปอย่างนี้ต่อมาก็เริ่มเป็นอนุบันธนาคือตามลมไปตามลมไปหายใจเข้าก็ตั้งสติตามไปนี่คื อ, ค, อคือสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงทรแสดงจริงๆแต่ตอนพระอาจารย์ท่านสอนท่านไม่สอนอย่างนั้นคือไม่ถึงขนาดนั้นก่อนท่านก็บอกว่าไอ้ตามยาๆเราก็สับสน่ เลยตั้งจุดไว้เป็นสามจุดด้วยกันคือจุดที่ลมกระทบได้แก่ปลายจมูกริมฝีปากแล้วก็หัดไทยแล้วก็เหนือนาพีขึ้นมาคือมองดูลมมันผ่านทางนั้นก็ตั้งสติตามลมที่มันผ่านขึ้นไปก็เรียกว่าตั้งจุดไว้เป็นสามฐานแล้วก็ถามตามลมพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเข้าชุดของพระพุทธเจ้ชาจริงๆ ในคำว่าหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้หายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าขณะนี้หายใจออกสั้นแต่คำว่ายาสั้นนั้นที่จริงมันไม่ต้องไปคิดคือว่าเฉพาะตั้งสติตามลมไปเท่านั้นเองเราอาจจะหายใจสั้นก็ได้ยาวก็ได้มันขึ้นอยู่รูปร่างลักษณะของคน แต่มายความมันเป็นเขาเป็นอย่างไงในขณะนั้นเราเพียงแต่เอาสติไปเกาะไว้เท่านั้นเองอย่าไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับลมหายใจเขาก็าอยู่อย่างไงก็ก็อยู่อย่างนั้นทํานองคล้ายๆกับเรามองกระแสน้ําเป็นแนวของอปโปกสินหรือมองในแนวพิจารณาก็ตามก็น้ําก็ไหลไปแบบน้ำแหละมันเป็นยังไงมันก็เป็นเขาเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปทดน้ําไม่ต้องไปทําอะไรกับน้ําเพียงแต่เราสติไปเกาะไว้ที่น้ําเท่านั้น หรืจะมองเตโชกสินก็มาความว่าไฟมันก็เป็นไฟอย่างนั้นเด็กเราเพียงแต่ตั้งสติเราเลิกดูที่ไฟเท่านั้นไม่ต้องไปขยับเขยี้นไม่ต้องไปทําอะไรเขาหรือเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นมองพยับแดดมันก็เป็นอย่างที่พยับแดดมันเป็นเท่านั้นเพียงแต่เราเข้าไปใช้ปัญญาพินินจพิจารณาในพยับแดดแล้วก็น้อมนึกเข้าไปให้เห็นถึงความจริงของชีวิตของสังขาร ท, ทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างอะไรทั้งหมดปัญญัดกันก็เหมือนกับพยับแดดว่าที่จริงก็ไม่มีรูปร่างที่แท้จริงเป็นต้นเป็นกฎเกณฑ์แบบธรรมชาติธรรมดาทีนี้การตามลมไปในลักษณะนี้ต่อมาในรุ่นหลังที่มีพุทธโธหายใจเข้าว่าพุทหนะายใจออกประโธนั้นก็คงจะต้องการจะเอาอนุสติคือพุทธานติกับอนาป า, า, านติเข้ามาผสมผสานกัน ในเชิงของการปฏิบัติคนบางคนมีความรู้สึกว่าจิตยังมีช่องว่างอยู่พอพุทธโทพุทธโธในขณะจากพูดถึงโทบางทีกิเลสมันแทรกก็ตั้งหลายตัวบ่าจะโธได้ระหว่างพุทธก็โทนั้งกิเลแสแทรกเข้ามาแต่บางคนนั่นก็ว่าพุทธโธพุทโธพุทโธไปเลยซึ่งที่จริงจะทํำยังไงก็ได้มับางขอให้มีที่เกาะก็แล้วกันปนัญหาสําคัญมาอยู่ว่าใจสงบได้หรือไม่ท่า น, นแต่ทีนี้การปฏิบัติในชั้นหนึ่งที่ท่านเรียกว่าพุทธนา ก็ดูเฉพาะจุดที่ลมกระทบเท่านั้นเองตั้งสติระลึกดูอยู่เฉพาะจุดที่ลมกระทบไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่ากระทบตรงไหนแต่การจะกระทบตรงไหนก็ต้องทดสอบเอาเองเพราะใบหน้าคนเราไม่เหมือนกันแต่ว่าส่วนแล้วส่วนส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ช่องจมูกหรือปลายจมูกหรือริมทีบปากเบื้องบนเกือส่วนมากจะอยู่ที่สามแห่งนั้นแล้วดูว่าลมกระทบ ช่วงไหนชัดก็ตั้งสติระลึกอยู่ในจุดนั้นที่นั่นอุปมาว่าเหมือนกับช่างกลึงที่ชักลูกกลึงเดึงให้เชือกยาวหรือเชือกสั้นก็ตามแต่ก็สรุปว่าเหล็กที่เรากดที่ลูกกลึงนั้นมันก็กดอยู่ตรงนั้นเองหรือว่าเหมือนกับเราเลื่อยไม้ก็ขอให้คมเลื่อยมันกระทบอยู่กับเส้นบรรทัดานั้นส่วนปลายเลื่อยมันก็จะเป็นปลายอย่างนั้น นี่ก็คือแนวในการปฏิบัติแต่ละอย่างแต่อย่างสรุปว่าพอมาถึงน า, นาปานสตินั้นคนเราจะเป็นจริตอะไรก็ตามสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ด้วยกัน แ, นนแล้วก็น้อมนำเข้าไปสู่ความสงบได้ทั้งนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมบัะขพติญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงงามไปบูรในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี